เดนคะกวัวคุณจะได้ยินเสียงฉันตัวงฉันก็คงไปอยู่นิวยอร์กละอีกครั้งแล้วสินะที่ฉันต้องโยกย้าย วันที่จบกันไปด้วยคำที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหม่มักจะไม่พบกันนีก ลบา yeah. เลยอยากจะให้รู้เอาไว้ถ้าเธอรักใครมากสักหนึ่งพนเละพน้นค้นเขาจะไป หลังที่จะทำจะช้ำด้ความเต็มใจ ราวนี้ไม่อยากเป็นคนใจร้ายรู้ดีไม่มีอะไรใจร้ายทุกคนคิดจะไ ป, yeah. ะไปแต่ปิดและซ่อนมันเอาไว้ถ้าเธอรักใครมากสักหนึ่งคนเ <Hey. S 1> <Hey. S 2> และคนคือเขาจะไป Time.